มนดําช่วงแรกหลังจากที่พ่อเสียชีวิตนั้นเราสามารถรับสัมผัสจากพ่อได้จนเมื่อได้เผาศพของพ่อไปแล้วก็ปรากฏว่าพ่อไม่ได้มาหาเราอีกเลยในวันที่เราไปเก็บอัฐิของพ่อนั้นเจ้าหน้าที่ของวัดได้ชี้ให้เราดูที่กระดูกของพ่อที่มีตะปูฝังอยู่ เมื่อหยิบชิ้นกระดูกขึ้นมาพิจารณาเห็นตะปูที่คล้ายกับเป็นสนิมแทรกอยู่ในชิ้นกระดูกนั้นเจ้าหน้าที่วัดได้บอกให้เราหาผู้มีคุณวิเศษมาช่วยเหลือวิญญาณของพ่อแต่ในขณะนั้นเราจมอยู่กับความทุกข์จนลืมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไปอีกทั้งก่อนที่จะเผาศพของพ่อนั้นเราก็ยังสามารถสื่อสารกับพ่อได้เราจึงคิดไปเองว่าหากพ่อต้องการให้เราทาอะไร พ่อก็คงจะสื่อสารกับเราเองแต่หลังจากเผาศพพ่อแล้วจูจ่ๆพ่อก็เงียบหายไปเราะกับแม่ไม่รู้ว่าพ่อจะเป็นเช่นไรในที่สุดก็ทนไม่ไหวหลังจากนําอัฐิของพ่อไปบรรจุที่เจดีย์ในวัดบวรมงคลได้หนึ่งสัปดาห์เรากับแม่ก็กลับไปหาพ่อจุดทูบอธิษฐานขอให้พ่อมาบอกพวกเราบ้างว่าพ่อเป็นอย่างไรแต่ไม่เกิดผลอะไรเลยพ่ อ, อยังคงเงียบ จนเราเสียใจว่าที่สุดแล้วพ่อก็ทิ้งให้เราอยู่กันตามลำพังจากสัปดาห์กลายเป็นเดือนทุกสัปดาห์เรากับแม่ก็ยังคงไปหาพ่อที่วัดแต่พ่อไม่ติดต่อพวกเราเลยจนล่วงเข้าหกเดือนเราไปหาพ่อที่วัดอีกคราวนี้เราต่อว่าว่าพ่อใจร้ายที่ไม่ติดต่อกลับมาหาเราเลยสักครั้งเดียวทั้งที่เราเป็นห่วงพ่อ แล้วเราก็เหลือบเห็นความผิดปกติบางอย่างนั่นก็คือรอยปูนที่ฉาบแผ่นหินจารฤกชื่อพ่อดูยังไม่แห้งเลยทั้งๆที่ล่วงเข้าเดือนที่หกแล้วส่วนอัฐิของคนอื่นที่มีการบรรจุที่หลังกลับดูแห้งกว่ามากดังนั้นเราจึงเริ่มค้นหาสาเหตุว่าทำไมรอยปูนฉาบช่องใส่อัฐิของพ่อจึงยังไม่แห้งสักที ความพี่ครอบครัวเรามีความสนิทสนมกับท่านเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลซึ่งเราเรียกท่านว่าท่านเจ้าคุณใหญ่แม่จึงขึ้นไปหาท่านแล้วกราบเรียนให้ท่านทราบท่านจึงเรียกผู้ดูแลมาสอบถามเมื่อเค้นหนักเข้าคนดูแลจึงเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาติดต่อโดยบอกว่าเป็นญาติของพ่อเราต้องการนำกระดูกของพ่อส่วนหนึ่งไปทาบุญแต่ด้วยความเอาจิงของท่านเจ้าคุณใหญ่ท่านขู่ว่า หากไม่พูดตามจริงจะให้ออกจากวัดชายคนดังกล่าวจึงสารภาพว่าได้รับเงินเล็กๆน้อยๆแลกกับการยอมให้ผู้หญิงคนดังกล่าวมากระเทาะปูนเพื่อเอาอาัฐิของพ่อเราออกไปและก็ไม่ใช่ครั้งเดียวในหกเดือนนี้ผู้หญิงคนนี้ได้มาเอาอาัฐิของพ่อไปถึงสี่ครั้งเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจของเรา ความเจ็บใจความแค้นใจประดังเข้ามาในอกเราและแม่ต้องการให้ผู้ดูแลวัดคนดังกล่าวยืนยันว่าใครคือผู้ที่กระทำการชั่วช้าเช่นนี้เราจึงได้นำรูปถ่ายของผู้หญิงในครอบครัวทั้งหมดมาให้คนดูแลวัดดูเนื่องจากเรามีผูดต้องสงสัยอยู่แล้วและก็เป็นอย่างที่คาดเขาได้ชี้ไปที่รูปป้าซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของแม่เราทาให้เราหวนคิดไดถึงวันที่ตารวจโทรศัพท์มาที่บ้าน เพื่อบอกเรื่องที่พ่อประสบอุบัติเหตุวันนั้นเมื่อเราและแม่เดินลงมาที่ชั้นล่างเราเห็นสีหน้าที่เยาะเย้ยของป้าเราและจําได้เป็นอย่างดีเรานำเรื่องที่เกิดขึ้นไปกราบเรียนเจ้าประคุณท่านจึงให้เรารีบไปนำอัฐิที่เหลือของพ่อออกมาจากวัดบวรมงคลโดยกำชับไม่ให้บอกใครว่าจะนำไปที่ไหนเรานำอัฐิที่เหลือของพ่อใส่ในหอผ้าขาว นำขึ้นไปที่กุฏิของเจ้าประคุณท่านให้แม่เราจุดธูปไปปักหน้าประตูทางเข้าวัดและทางขึ้นกุฏิแล้วบอกกล่าวขออนุญาตอารักเทพที่รักษาวัดจากนั้นท่านให้เรานำผ้าขาว ข, าวขนาดกว้างหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรมาปูที่เบื้องหน้าท่านแล้วเจ้าประคุณนั่งอยู่บนอาสนะจากนั้นท่านได้บางสุกุลพร้อมทั้งท่องบนภาวนาอยู่ชั่วครู่ปรากฏว่า ผ้าข่าวตรงเบื้องหน้านั้นสะบัดขึ้นราวกับถูกลมพัดชายผ้าทั้งสี่ด้านลอยขึ้นเหนือพื้นประมาณสองนิ้วและตกลงอย่างรวดเร็วแต่ตรงจุดกลางผ้าเหมือนมีอะไรกดทับอยู่ที่เห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์ก็เพราะว่าในกุฏิของเจ้าพระคุณในขณะนั้นไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเลยอีกทั้งหน้าต่างประตูก็ปิดมิดชิดด้วยเป็นเวลาค่ำแล้ว จากนั้นเจ้าประคุณก็หยิบตลปัดขึ้นมาตั้งตรงหน้าท่านและท่านก็ น, นั่งสงบนิ่งเช่นนั้นจนทูปที่เราจุดบูชาพระดับหมดท่านจึงลืมตาขึ้นและบอกกับเราว่าไม่เป็นไรแล้วต่อไปนี้อีกสองปีพ่อเธอจะอยู่ที่นี่เพื่อพัฒนาคุณภาพของจิตก่อนที่จะไปตามวิถีของกรรมแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือจงจาไว้ว่าผู้หญิงคนนี้ ที่กระทำกับพ่อของเธอขอให้เป็นอโหสิกรรมต่อกันแต่วันใดก็แล้วแต่ที่ผู้หญิงคนนี้ล้มลงด้วยแรงกรรมนั้นจงอย่าเอื้อมมือลงไปฉุดขึ้นมาโดยเด็ดขาดจงเดินผ่านเลยไปแล้วอย่าได้หันกลับมามองส่วนอธิของพ่อนั้นเจ้าประคุณท่านว่าหลังจากนี้อีกสองปีเรานำไปฝังไว้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพภายนวัดใหญ่สามวัด หลังจากกลับมาถึงบ้านพ่อก็มาหาเราในคืนนั้นเลยพ่อปรากฏอยู่ในความคิดของเราเราเห็นภาพของพ่อที่ดูโซมมากเหนื่อยและอ่อนล้าแต่สีหน้าของพ่อดูดีใจพ่อบอกกับเราว่าพี่สาวของแม่ใช้ให้หมอทำคุณใสเรียกพ่อเอาไว้หลังจากที่เผาร่างพ่อไปแล้วเขาเอาพ่อไปขังในที่มืดมิดพ่อไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนรู้แต่เพียงว่า เป็นที่ที่ไม่มีแสงสว่างอยู่เลยความมืดมิดและความหิวโหวยทำให้พ่อทรมานอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกระยะที่ดวงจิตของพ่อเกือบจะแตกสลายพ่อก็ได้รับความรู้สึกอิ่มเป็นความรู้สึกที่สามารถรับรู้ถึงรสชาติได้ด้วยเป็นความอิ่มที่ทำให้จิตของพ่อมีกำลังที่จะอยู่ต่อไปแล้วจูจ่ๆพ่อก็ถูกลมพัดพาออกมาจากที่มืดแห่งนั้น เมื่อพ่อรู้สึกตัวอีกทีก็มายืนอยู่ที่หน้าวัดและมีอารักเทพสี่องค์มาคอยพ่ออยู่โดยบอกกับพ่อว่าเจ้าประคุณท่านคอยอยู่ที่กุติเมื่อพ่อบอกท่านว่าพ่อจะเดินไปเองเพราะพ่อรู้จักกุติท่านดีอีกทั้งก่อนหน้าที่พ่อจะเสียชีวิตสี่เดือนพ่อได้บวชอยู่ที่วัดนี้โดยมีเจ้าประคุณเป็นพระอุ ป, ปัชฌาย์แต่อารักเทพบอกว่าไม่ได้เป็นหน้าที่ของท่าน ที่จะนำดวงวิญญาณของพ่อขึ้นไปที่กุฏิของเจ้าประคุณเมื่อพ่อเข้าไปถึงกุฏิของเจ้าประคุณก็มีอารักษเทพอีกหนึ่งองค์เดินลงมาจากกุฏิเพื่อมารับพ่ออารักษเทพองค์นี้ไม่เหมือนสี่องค์แรกที่มารับเพราะท่านไม่ได้แต่งตัวแบบโบราณและไม่ได้ถือดาบหรือหอกแต่แต่งชุดขาวมีผ้าขาวพาดปารูปร่างสูงผิวดาคล้าใบหน้าคมสันได้ส่วนเมื่อเข้าไปในกุฏิ พ่อถูกกำหนดให้อยู่กลางผ้าขาวจากนั้นพ่อก็รับรู้ได้ถึงกระแสของคลื่นอันมหาศารที่ค่อยๆกระทบดวงจิตของพ่อที่ขุนมัวและไร้แสงแล้วคลื่นนั้นกระทบกับดวงจิตของพ่อมากขึ้นเป็นลําดับซึ่งพ่อก็รับรู้ได้ว่าดวงจิตของพ่อเริ่มมีพลังมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดดวงจิตของพ่อก็สามารถเปล่งแสงที่สุกหลั่งได้อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้พ่อบอกว่าไม่เหมือนตอนที่พ่อตายใหม่ๆ เพราะครั้งนั้นแสงของพ่อไม่เป็่งรัศมีเช่นนี้พ่อบอกว่าเจ้าประคุณต้องการให้พ่ออยู่เพื่อฟังเทศนาสั่งสอนของท่านก่อนจะได้พัฒนาคุณภาพของดวงจิตให้ดีที่สุดและเหตุที่พ่อต้องตายเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อพ่อบวชนั้นพอครบกำหนดที่จะศึกพ่อได้ขึ้นไปขออนุญาตจากเจ้าประคุณแต่ท่านขอให้พ่ออยู่ในเพศบรรพชิตอีกสักระยะหนึ่ง เมื่อพ่ออยู่ต่อมาได้อีกหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ขึ้นไปขออนุญาตเจ้าประคุณเพื่อที่จะสึกอีกครั้งนี้เจ้าประคุณก็ได้พูดเช่นเดียวกับครั้งแรกแต่พ่อยืนยันว่าต้องสึกให้ได้เพราะมีเรื่องในทางโลกที่ต้องรับผิดชอบเจ้าประคุณจึงได้แต่เตือนพ่อว่าหลังจากสึกแล้วให้ระวังตนเองให้ดีอย่าไปไหนมาไหนหลังพระอาทิตย์ตกดินแล้วซึ่งพ่อก็รับปากไปพอเป็นพิธีแต่ในใจก็คิดคานว่า ด้วยหน้าที่การงานที่พ่อต้องพบปะลูกค้าจะให้พ่อไม่ออกไปไหนมาไหนตอนกลางคืนได้อย่างไรส่วนเรื่องที่พ่อเล่าว่าพ่อรู้สึกอิ่มนั้นเมื่อออกมาจากที่ 10. มืดมิดนั้นแล้วพอมาถึงกุฏิของเจ้าประคุณพ่อก็รู้เองโดยทันทีว่าผู้ที่ส่งอาหารทิพย์ไปให้พ่อนั้นต้องเป็นเจ้าประคุณอย่างแน่นอนแล้วเราเองก็ระลึกได้ว่าหลังจากที่เผาพ่อไปแล้ว ทุกวันจันทร์เราจะนําอาหารขึ้นไปถวายเจ้าประคุณเพื่ออุทิศให้กับพ่อพ่อเตือนให้เรากับแม่อยู่ห่างจากป้าของเราด้วยเพราะผู้หญิงคนนี้มีความอิจฉาริษยาเป็นอย่างมากที่เขาทาคุณสายใส่พ่อเราก็เพราะว่าพ่อและแม่ของเรานั้นรักกันท่ามกลางความขัดแย้งของทั้งสองครอบครัวเพราะแม่เราเป็นคนไทยส่วนพ่อเราเป็นคนจีน ความที่วิถีชีวิตของสองครอบครัวต่างกันจึงทำให้ผู้ใหญ่ของทั้งสองครอบครัวไม่เห็นด้วยพ่อและแม่จึงมีอุปสรรคในความรักแต่ทั้งพ่อและแม่ก็ได้พิสูจน์ให้ผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวยอมรับหลังจากที่คบหากันได้5ปีพ่อและแม่เราจึงได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างแต่พี่สาวของแม่เรานั้นตายายหวังจะเป็นลูกผู้หญิงที่เชิดหน้าชูตาของครอบครัว เพราะได้คบหาอยู่กับนายทหารอนาคตไกลทั้งชาติระกูลก็ดีแต่จุูุ่ก็ตั้งท้องขึ้นโดยไม่มีใครยอมรับว่าเป็นพ่อของเด็กในท้องความน่าอับอายดังกล่าวจึงทำให้พี่สาวของแม่เกิดความริษยาครอบครัวเราหลังจากที่เจ้าประคุณได้เมตตาทำพิธีบังสุกุลและถอนคุณใส่ให้กับวิญญาณของพ่อของเราแล้ว ความสบายใจก็กลับคืนมาสู่ครอบครัวเราพ่อมาหาเราบ้างในบางโอกาสแต่ทั้งเราและแม่ก็ไม่วุ่นวายใจอีกแล้วเพราะเชื่อว่าพ่อเรากำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาคุณภาพของดวงจิตเราและครอบครัวได้ทำใจยอมรับการจากไปของพ่ออย่างช้าช้าแต่เหตุที่ทำให้ทุกใจหลังการตายของพ่ออยู่ที่ว่าณขณะนั้นเราไม่รู้ว่าวิ ญ, ญญาณของพ่อไปสู่ภพภูมิใด เมื่อเจ้าประคุณได้มีเมตตาต่อดวงวิญญาณของพ่อแล้วพวกเราก็เกิดความสบายใจที่ว่าพ่อของเราจะต้องได้อยู่ในภพภูมิที่ดีต่อไปในภายภาคหน้าอย่างแน่นอน